กัรมสัสีพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าเทวดาเหล่านั้นได้ฟังพระกุมารทั้งสองนั้นทรงพิล่าปรำพันแล้ว จึงได้กล่าวกับเทพประบุทั้งสามดังนี้ว่าท่านทั้งสามจงแปลงเพศเป็นสัตว์ร้ายในป่าคือราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองอย่าให้พระนางมาัตสีราชบุตรีเสด็จ ก, กลับมาจากการสแสวงหามูลพราหารในตอนเย็นและอย่าให้สัตว์ร้ายในป่าอันเป็นแขวนของเราทั้งหลายรบควนพระนางมาัตสีราชบุตรีได้ถ้าราชสีเสือโคร่งและเสือเหลือง พึงรบกวนพระนางผู้ทรงสิริโฉมพระชาลีกุมารก็จะมีพระชนอยู่ไม่ได้เลยแล้วพระกันหาชินาจะมีพระชนอยู่ได้แต่ที่ไหนพระนางผู้ทรงลักษณะอันสง่างามจะพึงสูญเสียทั้งพระพัสดาและพระลูกรักทั้งสองไปเท่านั้นพระนางมัตสีใครีครวญว่าเสียมของเราก็หล่นลงตาข้างขวาก็คอมเนนอยู่ริกริ ต้นไม้ทั้งหลายที่เคยมีผลก็กลับไม่มีผลและทุกทุกทิกก็มืดมนเมื่อพระนางเสเดกกลับบ่ายพระพักมาสู่อาสมในเวลาที่พระอาทิตย์อัสดงคดเหล่าสัตว์ ร, ร้ายก็มายืนขวางทางพระนางมาสัสีรำพึงว่าเมื่อพระอาทิตย์พลอยต่ำลงและอาสมก็ยังอยู่ไกลนักพระเจ้าพี่เวสันดรและพระลูกรักทั้งสองนั้น คอยบริโภคมูลพราหารที่เราจะนำไปจากป่านี้พระจอมกษัตรินั้นประทับอยู่ในบรรณศาสลาพระองค์เดียวคงจะทรงปลอบประโลมให้ลูกน้อยทั้งสองผู้หิวกระหายคอยทอดพระเนตรดูเราผู้ยังมาไม่ถึงให้ยินดีเป็นแน่แท้ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกำพร้าน่าสงสารในเวลาเย็นเป็นเวลากินเวลาเดิมก็จักพลอย เหมือนลูกเนื้อที่กําลังดื่มนม نا, เป็นแน่แท้ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกําพร้าน่าสงสารในเวลาเย็นเป็นเวลากินเวลาดื่มก็จะคอยเหมือนลูกเนื้อที่กําลังกระหายน้ําเป็นแน่แท้ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกําพร้าน่าสงสารคงจะยืนคอยต้อนรับเราเหมือนลูกโคอ่อนคอยชะเง้อหาแม่เป็นแน่แท้ ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกําพร้าน่าสงสารคงจะยืนคอยต้อนรับเราเหมือนลูกคงที่ตกอยู่ในเปลือกตมเป็นแน่แท้ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกําพร้าน่าสงสารคงจะยืนคอยต้อนรับเราอยู่ไม่ไกลจากอาสมหนทางที่จะไปก็มีอยู่ทางเดียวและเป็นทางที่เดินไปได้คนเดียวโดยข้างหนึ่งเป็นสระน้ำอีกข้างหนึ่งเป็นบึง เรายังไม่เห็นทางอื่นที่จะไปสู่อาสมได้ข้าแต่พยานเนื้อทั้งหลายผู้มีกําลังมากในป่าใหญ่เข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายกับข้าพเจ้าก็เป็นพี่น้องกันโดยธรรมเข้าพเจ้าขออ้อนวอนขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ข้าพเจ้าเถิดเข้าพเจ้าเป็นพันยาของพระราชบุตรผู้มีสิริผู้ถูกขับไล่จากกรุงศรีพี และข้าพเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นพระสวามีพระองค์นั้นเลยเหมือนดังนางศรีดาคอยประพฤติตามพระรามพอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ดิฉันแล้วกลับไปเยี่ยมลูกน้อยของท่านในเวลาออกหาอาหารในตอนเย็นส่วนดิฉันก็จะกลับไปเยี่ยมลูกน้อยทั้งสองคือพระชาลีและพระกันหาชินาอันหนึ่งมูลพระลาหารนี้ก็มีอยู่มากและพักษาก็มีอยู่ไม่น้อย ดิฉันขอแบ่งให้ พ, พวกท่านเกึ่งหนึ่งดิฉันอ้อนวอนแล้วขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ดิฉันเถิดพระมารดาของเราทั้งหลายเป็นราชบุตรีและพระบิดาของเราทั้งหลายก็เป็นพระราชบุตรท่านทั้งหลายกับดิฉันเป็นพี่น้องกันโดยธรรมดิฉันอ้อนวอนแล้วขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ดิฉันเถิดพญาเนื้อร้ายทั้งหลายได้ฟังวาจาอันไพเราะ ซึ่งประกอบด้วยความการุนเป็นอย่างมากของพระนางผู้ทรงพิลาบรำพันอยู่จึงได้พากันหลีกออกจากทางไปลูกน้อยทั้งหลายคงขมุกขมัวไปด้วยฝุน่นคงจะยืนคอยต้อนรับเราเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยเชิงเหอหาแม่เป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งหลายคงขมุกขมัวไปด้วยฝุน่นคงจะยืนคอยต้อนรับเราอยู่ตรงนี้ เหมือนลูกคงที่ตกอยู่ในเปลือกตมเป็นแน่แท้ลูกน้อยทั้งหลายคงขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นคงจะยืนคอยต้อนรับเราอยู่ตรงนี้ไม่ห่างไกลจากอาสมลูกน้อยเหล่านั้นเคยร่าเริงวิ่งมาต้อนรับเราเหมือนจะทำให้อาไทยของเราวันไหวเหมือนลูกเนื้อเห็นแม่แล้วหูชันร่าเริงวิ่งไปวิ่งมารอบแม่วันนี้เราไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองเพอ พ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นเลยเราละลูกน้อยทั้งหลายไว้ออกไปหาผลไม้เหมือนแม่แพะและแม่เนื้อละลูกน้อยไปหากินเหมือนปักสีละลูกน้อยไปจากครังหรือเหมือนแม่ราชสีผู้ต้องการอาหารละลูกน้อยไว้ออกไปหากินวันนี้เราไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นเลย นี้รอยเท้าวิ่งเล่นไปมาของลูกน้อยทั้งสองยังปรากฏอยู่เหมือนรอยเท้าช้างที่เชิงเขานย้กองทรายที่ลูกน้อยทั้งสองขนมาเล่นยังกระจัดกระจายอยู่ณที่ใกล้อาสมวันนี้เราไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินา น, นั้นเลยลูกน้อยทั้งหลายคือเกลื่อนกลนไปด้วยทรายและขมุกขมัวไปด้วยฝุน่นวิ่งเข้ามาล้อมเราอยู่รอบรอบ เราไม่ได้เห็นทารกเหล่านั้นเมื่อก่อนลูกน้อยทั้งหลายเคยต้อนรับเราผู้กลับมาจากป่าแต่ที่ไกลวันนี้เราไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินา น, น, น, นั้นเลยลูกน้อยทั้งหลายเคยไปคอยต้อนรับแม่คอยมองดูเราแต่ที่ไกลเหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อคอยเชงื้อหาแม่เราไม่ได้เห็นทารกเหล่านั้นเลย พ้มาตูมสีเหลืองที่ตกอยู่นี้เป็นของเล่นของลูกน้อยทั้งสองนั้นวันนี้เราไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กัญหาชิ น, นานั้นเลยทันทั้งสองของเรานี้ยังเต็มไปด้วยน้ำนมและอกของเราเหมือนจะแตกดับวันนี้เราไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กัญหาชินานั้นเลยใครเล่าจะค้นชายพก ใครเล่าจะเหนียวทันทั้งสองของเราวันนี้เราไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นเลยเวลาเย็นลูกน้อยทั้งสองขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นเคยวิ่งเข้ามาเกาะที่ชายพกของเราวันนี้เราไม่ได้เห็นทารกเหล่านั้นเลยเมื่อก่อนอาสมนี้ปรากฏแก่เราเหมือนโรงมหรสพวันนี้เมื่อเราไม่เห็นลูกน้อยเหล่านั้น อาสมปรากฏเหมือนดังจะหมุนไปนี่อย่างไร right? อาสมจึงปรากฏกับเราดูงเงียบสงัดจริงหนอแม้ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารกทั้งหลายของเราคงจะตายแน่นี่อย่างไรอาสมจึงปรากฏแก่เราดูงเงียบสงัดจริงหนอแม้ฝูงนกก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารกทั้งหลายของเราคงจะตายแน่ นี่อย่างไรพระองค์จึงทรงนิ่งเฉยอยู่แม้เมื่อคืนใจหม่อมฉันก็เห ม, ห ม, tables, well. ห ม, right. หมือนฝันไปแม้ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารกทั้งหลายของหม่อมฉันคงจะตายแน่นี่อย่างไรพระองค์จึงทรงนิ่งเฉยอยู่แม้เมื่อคืนใจหม่อมฉันก็เหมือนฝันไปแม้ฝูงนกก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารคทั้งหลายของหม่อมฉันคงจะตายแน่ข้าแต่พระลูกเจ้า เราเนื้อร้ายในป่าอันเงียบสงัดได้กินทารกทั้งหลายของม่มชันแล้วหรือกระไรนอหรือว่าใครนำทารกทั้งหลายของม่มชันไปทารกเหล่านั้นผู้กำลังพูดจาน่ารักพระองค์ทรงส่งไปเป็นทูตหรือว่ายังหลับอยู่หรือทารกเหล่านั้นของเราออกไปเล่นภายนอกเส้นผมลายมือลายเท้าของทารกเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏเลย หรือนกทั้งหลายมาโฉบเขี่ยวเอาไปหรือว่าใครนำทารกทั้งหลายของหม่อมฉันไปการที่หม่อมฉันไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาในวันนี้นั้นเป็นทุกข์ยิ่ยงกว่าการถูกขับไล่จากแควเปรียบเหมือนแผลที่ถูกลูกสอนแทงการที่หม่อมฉันไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองและฝ่าพระบาทไม่ได้ตรัสกับหม่อมฉันนี้ เป็นดุดลูกศรเสียบแทงมาไทยของหม่อมฉันซ้ำสองหาไทยขมหม่อมฉันย่อมหวั่นไหวข่าแต่พระราชบุตรถ้าคืนวันนี้พระองค์ไม่ได้ตรัสกับหม่อมฉันพรุ่งนี้เช้าพระองค์น่าจะได้ทอดพระเนตรหม่อมฉันผู้ปราศจากชีวิตตายไปแล้วพระเวสันดรตรัสว่าแม่มัตซีราชบุตรีผู้มีรูปโฉมงดงามผู้มียศมัวไปแสวงหามูลพราหารแต่เช้า ทำไมจึงกลับมาจนเย็นพระนางมัตสีกราบถูนว่าพระองค์ได้ทรงสดับแล้วมิใช่หรือซึ่งเสียงบรรเลอลั่นของราชสีและเสือโครง่งต่างก็มุ่งมาสู่สระนี้เพื่อจะดื่มน้ำบุพนิมิตได้เกิดไม่แค่มอมฉันผู้กำลังเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่คือเสียมพลัดตกจากมือของม่อมฉันและประเช้าที่หาบอยู่ก็พลัดตกจากบ่าเวลานั้นมอมฉันหวาดกลัวเป็นกาลัง จึงได้ทำอัญชลีนอบน้อมไปทั่วทุกทิศขอความสวัสดีพึ่มมีแต่ที่นี้ด้วยขอพระราชบุตรของเราอย่าได้ถูกราชสีหรือเสือเหลืองเบียดเบียนเลยหรือขอให้ทารกทั้งหลายอย่าได้ถูกหมีสุนัขป่าหรือเสือดาวรังควานเลยสัตว์ร้ายทั้งสามในป่าคือราชสีเสือโครงและเสือเหลืองได้มายืนขวางทางหม่อมฉัน เพราะฉะนั้นมอมฉันจึงกลับมาถึงในเวลาเย็นพระนางมัสตสีทรงคร่ำครวญว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทมันปฏิบัติพระสวามีบำรุงเลี้ยงดูลูกน้อยทั้งหลายทุกวันเหมือนมานกปฏิบัติอาจารย์เรากล่าวผมประพฤติพรหมจันทร์นุ่งหม่มหนังเสือเที่ยวไปสแสวงหาหมูลพลาหาในป่ามาทุกวันคืนเพราะความรักเธอทั้งหลายณนะลูกน้อย ขมิ้นเหลืองผลมาตุมสุกแม่หามาแล้วและแม่ก็ได้นําผลไม้สุกมานี้เป็นของเล่นของลูกรักทั้งสองนะลูกข้าแต่พระองค์ผู้จอมกระสักเงาบัวพร้อมทั้งฝักหนออุบลและกระจับที่คลุกน้ําผึ้งขอเชิญพระองค์ทรงเสวยพร้อมพระโอรสทั้งหลายเถิดขอพระองค์โปรดประทานดอกปฐุมให้พ่อชาลีประทานดอกโกมุตให้คุมารี พระองค์จะได้ทอดพระเนตรพระกุมารทั้งหลายผู้ทรงประดับดอกไม้ฟ้อนรำอยู่ข้าแต่พระเจ้ากรุงสีผีขอพระองค์โปรตรัดเรียบพระโอรสทั้งหลายมาเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพต่อจากนั้นขอพระองค์ทรงสดับพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนหวานของแม่กันหาชินาผู้ซึ่งกำลังเข้าสู่อาสมเถิดเราทั้งสองถูกเนรเทศจากแคว้น เป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกันข้าแต่พระเจ้ากรุงศรีพีถึงพระองค์ก็โปรดทอดพระเนตรลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาเถิดมอมฉันคงได้สาบแช่งสมณะและพรามผู้มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้ามีศีลเป็นผู้หูสูรในโลกเป็นแน่วันนี้มอมฉันจึงไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กัญหาชินา รูปชาชนิดต่างๆเหล่านี้คือต้นว่าต้นย่านทรายมีกิ่งห้อยย้อยที่พระกุมารทั้งสองเคยเล่นมาก่อนวันนี้กุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็นรูปชาติที่มีผลชนิดต่างๆคือต้นโพใบต้นขนุนต้นไซและต้นมะขิดเหล่านี้ที่กุมารทั้งสองเคยมาวิ่งเล่นวันนี้กุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น สวนเหล่านี้ก็ยังตั้งอยู่นี้แม่น้ําที่เยือกเย็นที่ขูมารทั้งสองเคยมาเล่นกุมารทั้งสองไม่ปรากฏให้เห็นบุพชาชนิดต่างๆมีอยู่บนภูเขาลูกนี้ที่ขูมารทั้งสองเคยทัสส่งกุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็นผลไม้ชนิดต่างๆที่มีอยู่บนภูเขาลูกนี้ที่ขูมารทั้งสองเคยมาเสวยกุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น ตุกตาช้างตุกตาม้าและตุกตาวัวเหล่านี้ที่ขูมารเหล่านั้นเคยเล่นขูมานเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็นตุกตาเนื้อตายทองเล็กๆตุกตากระต่ายตุกตานกเค้าตุกตาชมดเหล่านี้เป็นอันมากที่ขูมารทั้งสองเคยเล่นขุมานเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็นตุกตาหงตุกตานกกเรียนตุกตานกยูงที่มีแววหางงามวิจิต เหล่านี้ที่กุมารทั้งสองเคยเล่นกุมารทั้งเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็นผู้ไม้มีดอกบานจะรั่งทุกรดูการเหล่านี้ที่กุมารทั้งสองเคยมาเล่นกุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็นสะโบครนีที่น่าเรื่นรมเหล่านี้มีนกจักรภาคส่งเสียงปู่ขันดาราดาไปด้วยดอกมณฑาลกปทุมและอุบลที่กุมารทั้งสองเคยมาเล่น กุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็นพระองค์ไม่ได้หากฟืนไม่ได้ตักน้ำไม่ได้ติกไฟเพราะเหตุไรเนอพระองค์จึงทรงหงอยเหงาซบเซาอยู่เพราะคนรักกับคนรักยังรวมกันอยู่ความทุกข์ร้อนของหม่ำฉันย่อมหายไปวันนี้ม่ำฉันไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาค้าแต่สมมติเทพ มอมฉันไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองของฉันไม่ทราบว่าผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไปแม้แต่ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารคทั้งหลายของมอมฉันคงตายแล้วเป็นแน่ข้าแต่ส ม, มุติเทพมอมฉันไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองของเราไม่ทราบว่าผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไปแม้ฝูงนกก็ไม่ได้ส่งเสียงร้อง ทารกทั้งหลายของหม่อมฉันคงตายแล้วเป็นแน่พระนางมัตสีทรงปริเวทนาพรางเที่ยวไปวิ่งหาตามซอกเขาและป่าชัดในท้องเขาวงกดนั้นแล้วเสด็จมายังอาสมอีกทรงกันแสงอยู่ในสำนักของพระราชาสวามีทูลคร่งครวญว่าข้าดแต่สมมติเทพมอมฉันไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองของเราและไม่ทราบว่า ผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไปแม้แต่ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารกทั้งหลายของหม่อมฉันคงตายแล้วเป็นแน่ข้าแต่สมมติเทพหม่อมฉันไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองของเราและไม่ทราบว่าผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไปแม้แต่ฝูงนกก็ไม่ส่งเสียงร้องทารกทั้งหลายของหม่อมฉันคงตายแล้วเป็นแน่ข้าแต่สมมติเทพ มอมฉันไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองของเราและไม่ทราบว่าผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไปทั้งที่เที่ยวไปหาที่โคนไม้ภูเขาและถ้ำพระนางมัสตสีราชบุตรีผู้ทรงพระรูปโฉมงดงามผู้มีพระยศประคองพระพาหาคร่ำครวญลม้มลงณพื้นดินแท่พระยุคลบาทของพระเวสันดอนนั้นนั่นเองด้วยประการฉนี้ พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเวชันดรราชฤาษีทรงวักน้ำประพรมพระนางมัตสีราชบุตรีผู้เสด็จมาเฝ้าพระองค์ทรงวิชันญีล้มลงแท้พระยุคลบาทของพระองค์ทรงทราบว่าพระนางทรงฟื้นพระองค์ดีแล้วจึงได้ตรัสพระตํารันนี้กับพระนางว่ามัตสีเราไม่อยากจะบอกความทุกข์แก่เธอแต่แรกก่อน พระรามแก่ยาจกผู้ตกยากมาสู่อาสมเราได้ให้ลูกน้อยทั้งสองแก่พราหมณ์นั้นไปมัดซีเธออย่าได้กลัวเลยเธอจงดีใจเถิดมัดซีเธออย่าเห็นลูกน้อยทั้งสองเลยอย่าได้ร้องไห้ไปนักเลยเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ไม่มีโรคภัยก็จะได้พบลูกน้อยทั้งสองแน่สัตว์ผูุ้ษเห็นยาจกมาหาแล้วพึงให้บุตรปัสสุสัตวถัญญชาต และทรัพย์อื่นใดในเรือนมสัสสีขอเธอจงอนุโมทนาปุตตทานอันสูงสุดของเราเถิดพระนางมัสสีกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพมอมฉันขออนุโมทนาปุตตะทานอันสูงส่งของพระองค์ขอพระองค์พระราชทานปุตตทานอันสูงส่งแล้วทรงทำพระไทยให้ผ่องใสเถิดขอพระองค์จงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชนในหมู่มนุษย์ผู้เป็นคนตรนีพระองค์ผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีได้ทรงบำเพ็ญทานแก่พราหมณ์แล้วแผ่นดินก็บรนเลอลั่นแก่พระองค์กิตติศัพท์ของพระองค์บันเลอไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพย์สายฟ้าก็แลบแปรปราบอยู่โดยรอบดังสะท้านปานประหนึ่งว่าภูเขาจะถล่มทลาย เทพเจ้าทั้งสองหมู่ผู้สิงสถิตยอยู่หน้าภูเขานารทะต่างถวายอนุโมทนาแด่พระเวสสันดร น, นั้นว่าพระอินท์พระพรมเท้าประชาบาษร์พระสมยมยักษ์เท้าวเวสวรามหาราชและเทพเจ้าเหล่าสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมทั้งพระอินท์ทุกท่วนหน้าต่างก็ถวายอนุโมทนาพระนางมัตสีราชบุตรีผู้ทรงรูปโฉมงดงามผู้มีพระยศ ก็ทรงอนุโมทนาปุตตะทานอันสูงสุดของพระเวสสันดรแล้วด้วยประการฉ น, นี้แลกันมาสี่จบ